พระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าจุลนีผู้มีกำลังมากรักษาการตลอดราตรีทั้งสิ้นครั้นอรุณขึ้นก็เสด็จถึงอุปการณะนครพระเจ้าอุตราบัญจาละพระนามว่าจุลนีผู้มีกำลังมากเสด็จทรงช้างที่นั่งตัวประเสริฐมีกำลังต่อเมื่อหสิปีจึงเสื่อมกำลัง ได้ตรัสการทัพกะเสนาของพระองค์พระองค์ทรงสวมเกราะแก้วมณีพระหัตจับสนได้ตรัสกะเหล่าทวยหารผู้รับใช้ซึ่งชํานาญในศิลป์เป็นอันมากประชุมกันอยู่พระเจ้าจุลนีตรัสกะกองช้ากองมะกองรถกองราบผู้มีศิลปะธนูผู้หญิงแม่นยิงขนท่ายก็ไม่พลาดผู้ประชุมกันอยู่แล้ว พระเจ้าจุลนีตรัสสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงใสช้างพลายมีงา a มีกำลังต่อเมื่อหกสิบปีจึงเสื่อมกำลังช้างทั้งหลายจงย่ายีนครที่พระเจ้าวิเทหราชทรงสร้างไว้ดีแล้วเสียลูกศรนหน้าขาวเช่นเขี้ยงาปลายแหลมคมสามารถแทงกระดูกได้เกลี้ยกล่เหล่านี้จงตกลงพร้อมกัน ต่อเนื่องด้วยกำลังธนูเหล่าโยธารุ่นหนุ่มสวมเกราะถือโล่แกล้วกล่ามีอาวุธประกอบด้วยด้ามอันวิจิตเหล่าช้างใหญ่แล่นมาจงหันหน้าสู้ช้างทั้งหลายหอกทั้งหลายที่ขัดด้วยน้ำมันแล้วมีแสงเป็นประกายวับวับรุ่งเรืองมีรัสมีมากตั้งอยู่ดุดมีรัสมีตั้งร้อย เมื่อเหล่าโยธาของเรามีกำลังคืออาวุธทรงสังวารคือเปรา ะ, ะและเครื่องประดับต้นแขนไม่ล่าหนีในสงครามเช่นนี้พระเจ้าวิเทหราชจากค้นไปได้ที่ไหนหากจะเป็นเหมือนนกบินไปทางอากาศจากทำได้อย่างไรก็แต่ละคนถูกคัดเลือกมาทั้งหมดสามมืนเก้าพันซึ่งเราเที่ยวไปทั่วแผ่นดินไม่เห็นเทียมทัน สามารถตัดสีษะค่าศึกเอามาคนละสีษะได้อันหนึ่งช้างพลายทั้งหลายอันประดับแล้วมีกำลังต่อเมื่อหกสิบปีจึงเสื่อมกำลังเหลาโยธาหนุ่มๆ ม, มีผิวพันธ์ดังทองคำงดงามอยู่บนคอโยธาทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลืองนุ่งผ้าสีเหลืองผ่มผ้าเฉวียงบาสีเหลืองงดงามอยู่บนคอช้าง ดังเท พ, พบุตรทั้งหลายในนันทนวันดาบทั้งหลายมีสีดังปลาสลาดัดขัดถูด้วยน้ำมันแสงวะวับอันเหลโยธาผู้วีรบุรุษทำเสร็จแล้วมีคมเสมอรับอย่างดีวาววับดาบทั้งหลายหาสนิมมิได้ทำด้วยเหล็กกล้ามั่นคงอันเหลโยธาผู้มีกําลัง เชี่ยวชาญในวิธีประหารถือเป็นคู่มือแล้วเหลาโยธาพูดถึงพร้อมด้วยความงามดังทองคำสวมเสื้อสีแดงกวัดแกงดาบย่อมงดงามดังสายฟ้าแวบวาบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆเหลาโยธาผู้กล้าหารสวมเกราะสามารถยังทงให้สะบัดในอากาศฉลาดในการใช้ดาบและโล่ถือดาบฝึกมาอย่างชนานาญ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 พระองค์มีพระหฤทัยร่าเริงแล้วเสด็จมาคงจะเข้าพระทัยว่าทรงเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วขอพระองค์ทรงลดแร่งธนูนั่งลงเสียเถิดทรงทิ้งลูกธนูเสียเถิดทรงเปลื้องเกราะอัน ง, งาโชโช่วงด้วยแก้วไพรทูลแก้วมณีนั่นออกเสียเถิดพระเจ้าจุลณีตรัสคุก ค, คามพระโพธิสัตว์ว่าเจ้ามีผิวหน้าผ่องใสและยิ้ม แล้วค่อยกล่าวถ้อยคําความถึงพร้อมแห่งผิวพันธ์เช่นนี้ย่อมมีในเวลาใกล้ตายพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่ขติยราชพระดํารัตที่พระองค์ตรัสพุกคาคำไร้ประโยชน์เสียแล้วพระองค์เป็นผู้มีพระดําริกระจายไปทั่วแล้วพระองค์จับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกดังม้าสินทบอันม้ากระจอกไล่ไม่ทัน พระเจ้าวิเทหราชพร้อมเหล่าอมารราชบริพารเสด็จข้ามคงคาไปแล้วแต่วันวานนี้เมื่อพระองค์จักติดตามไปก็จักตกสู่ความลำบากเหมือนกาบินไล่ตามพระยาโหงฉะนั้นสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเป็นสัตว์ตำช้ากว่ามรึกเห็นดอกทองกวาบานในรติการก็สำคัญว่าชิ้นเนื้อเข้าล้อมต้นอยู่ ครั้นเมื่อราตรีล่วงไปแล้วพระอาทิตขึ้นสุนักจิ้งจอกเป็นสัตตำช้ากว่ามรึกเห็นดอกทองกวาวบานแล้วก็หมดหวังฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงล้อมพระเจ้าวิเทหราชก็จักทรงหมดหวังสเสด็จไปเหมือนสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาวฉันนั้นพระเจ้าจุลนีทรงกริ้วเหลือกาลังตรัสสั่งว่า เจ้าทั้งหลายจงตัดมือและเท้าหูและจมูกของมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมือแล้วไปเสียเจ้าทั้งหลายจงเสียบมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมือแล้วไปเสียในหลาวย่างมันให้ร้อนดุดย่างเนื้อฉะนั้นบุคคลแทงหนังโคที่แผ่นดินหรือเกี่ยวหนังราชสี หรือเสือโครงฉุดมาด้วยขอฉันใดข้าจักให้เจ้าทั้งหลายทิมแทงมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหาราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียแล้วข้าเสียด้วยหอกฉันนั้นมโหสถบัณฑิตทูลว่าถ้าพระองค์ตัดมือและเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหาราชจักให้ตัดพระหัตถและพระบาท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 ถ้าพระองค์เสียบเนื้อข้าพระองค์ในหลาวย่างให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชก็จักให้เสียบเนื้อพระปัญจาลจันทราชโอรสพระานางปัญจาลจันทีราชธิดาและพระานางนันทาเทวีในหลาวย่างให้ร้อนถ้าพระองค์เสียบเนื้อของข้าพระองค์ในหลาวย่างให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชจักให้เสียบเนื้อพระราชโอรส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 พระเจ้าวิเทหาราชจักให้ทิมแทงพระราชะโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ด้วยหอกอย่างนั้นเหมือนกันข้อความดังกราบทูลมาอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองคือพระเจ้าวิเทหาราชกับข้าพระองค์ได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วเป็นความลับโลหนังมีน้ำหนัก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 ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเชิญเถิดขอเชิญพระองค์ท่าพระเนตรดูภายในเมืองของพระองค์ซึ่งว่างเปล่านางสนมและกุมารทั้งหลายตลอดถึงพระชนนีของพระองค์ข้าพระองค์ให้นำออกจากอุโมงไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชแล้วพระเจ้าจุลณีตรัสสังกล่าอมาดว่าเจ้าจงไปภายในเมืองของเราตรวจตราดูเรื่องนั้น คำของมโหสถนี้จริงหรือเท็จอย่างไรเราอมาดกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามโหสถทูลอย่างใดข้อความนั้นก็เป็นอย่างนั้นภายในพระราชนิเวศ ท, ทั้งปวงว่างเปล่าดุดที่ลงหากินของกา